ที่สไตรลักษ์ไตรลักษ์แปลตามตัวก็คือลักษณะ3ามอย่างขึ้อหนอ น, นิจจังไม่เที่ยงสองทุกขังเป็นทุกสามอนัตตาไม่ใช่ตัวตนความไม่เที่ยงทําให้เราเป็นทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้เรารู้อยู่แล้วเมื่อเราพบกับมันแต่ตัวที่เราไม่ได้ตระหนักก็คือไม่เที่ยง ความจริงเราก็รู้จักละแต่ด้วยความคุ้นเคยนั่นเองอะ่ะทำให้เรามองข้ามไปเช่นเหมือนกับเราเรียกชื่อเล่นของเพื่อนอยู่ทุกๆวันพอมีคนมาถามหาเพื่อนด้วยชื่อจริงบางทีเราก็เลยลืมไปว่าอ๋อแล้วก็เพื่อนเราเองอ่แหละอะไรอย่างนี้ท่านสอนว่าทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจังคือไม่เที่ยงแต่นี้เรามาลองมองดูกันจริงๆสักทีเพื่อให้เห็นตัวมันชัดๆ จัดกระบวนการใหม่ในการเล่าเนี่ยนะฮะเพื่อให้กระชับขึ้นเราก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นดังนี้หนึ่งามองแบบไกลมองไกลแบบหนังสารคดีถอยออกไปดูประวัติศาสตร์หรือว่านึกถึงหนังคริโอพัตราก็ได้นะคะชาวอียิปต์ชาวโรมันเจริญมาเป็นร้อยร้อยปีแต่ตอนนี้ก็เสื่อมหรือแต่ซากมาไว้ให้นักโบราณคดีมีงานทา ทวีปก็เคลื่อนย้ายจากที่เคยติดกันหลุดไปเป็นเกาะเกาะเช่นทวีปออสเตรเลียไม่มีอะไรคงที่คือไม่เที่ยงนั่นเองนะคะข้อหนึ่งนี้ก็คือเหมือนคำ ว, ว่ามองอะไรแบบร้อยร้อยปีแบบมองในนาทีเดียวนะคะคือจะได้เห็นภาพอย่างเช่นเห็นทวีปแบบค่อยๆหลุดหลุดหลดออกไปเป็นเกาะอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆมันใช้เวลาเป็นล้านล้านปีแต่มันก็แสดงให้เราเห็นว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยจะแสดงให้เราเห็นว่าแบบมันไม่เที่ยงนะคะ 2. มองใกล้พรุ่งนี้เรานัดลูกค้าไปอายุทยาพอตอนเช้าก็โทรมาเลื่อนเพราะติดประชุมด่วนไปไม่ได้นะคะไปเที่ยงแล้วข้อ3 ม, มองตัวเองก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะมองของรักถ้วยสวยๆเหมือนจะไม่แตกเก็บไว้ในตู้อย่างดี วันนี้ออกมาตั้งไว้ชมเพื่อนทําแตกต่อหน้าเลยหรือถ้วยสวยๆเก็บไว้อย่างดีจนเป็นมรดกคือตัวเราเองเป็นฝ่ายไม่เที่ยงไปซะก่อนน่ะนะคะก็คือตายนั่นแหละตกไปถึงสมัยเหลนอาจจะทําแตกหรือว่าขายให้ฝรั่งไปนั่แหละมันก็ไม่เที่ยงอีกข้อหมองอารมณ์อารมณ์ของเราแม้จะเกิดชั่วคราว หรือเกิดติดต่อกันยาวนานแต่วันหนึ่งก็ต้องหมดสดิ้นไปเช่นความเศร้าถึงจะเศร้าติดต่อกันยาวนานแต่วันหนึ่งมันก็ต้องหายเศร้าหัวเราะแม้จะหัวเราะติดต่อกันยาวนานแต่ก็ต้องหยุดรักแม้จะรักติดต่อกันยาวนานวันหนึ่งก็ต้องคลายเกลียดแม้จะเกลียดยาวนานวันหนึ่งก็เบื่อที่จะเกลียดที่จะสนใจ จนแม้จะจนติดต่อกันยาวนานแต่ก็รู้สึกสบายได้ตามมัธพัทรวยแม้จะรวยติดต่อกันยาวนานแต่วันนึงก็อาจจะล้มละลายได้ข้อหกมองสั้นมองสั้นก็คือดูง่งายๆสั้นๆตรงนี้เลยคือดูอะไรก็คือดูลมหายใจของเรานี่เองมองสั้นในหนึ่งกระบวนการหายใจเนี่ยก็จะมีการหายใจเข้ากลั้นไว้นิดนึง จนเราแทบไม่รู้สึ ก, ก น, นะฮะนิดหนึ่งช่วงนี้แล้วก็หายใจออกก็จบกระบวนการเป็นหนึ่งครั้งนะคะถ้าจะเทียบก็คือว่าหายใจเข้าก็คือเกิดขึ้นอันกลั้นว่านิดหนึ่งก็คือตั้งอยู่พอหายใจออกก็คือดับไปนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการก็จะมีอยู่อสองอัน เ, เปรียบเทียบกันนะคะเช่น หายใจเข้ากลั้นไว้แล้วหายใจออกจบไปหนึ่งกระบวนการนะคะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจบไปหนึ่งกระบวนการเดี๋ยวก็หายใจเข้าใหม่กั้นไว้หายใจออกจบไปหนึ่งกระบวนการนะคะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้นะคะอันนี้เห็นง่ายคงไม่ต้องอธิบายอะไรความไม่เที่ยงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าจะให้เที่ยงก็ลองหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าอีกถ้าทําได้ก็เที่ยงแน่แต่ไม่ต้องกลับมาเล่าให้ฟังนะคะกลัว เมื่อเราตราหนักได้แล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจรึงควรปล่อยวางจิตใจในอันที่จะทุกข์เพราะอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปไม่คงอยู่อย่างที่ใจต้องการให้มันคงอยู่อันนี้ทำได้โดยยอมรับความจริงว่ามันไม่เที่ยงและไม่ยึดมั่นถือมัน่นที่จะหนึ่งดื้อดึ ง, ด ง, ดงให้มันคงอยู่สองมีอารมณ์เมื่อมันเปลี่ยนแปลงชินโกรธสามเศร้าส้อยเมื่อมันจากไป ยึดติดไว้ในใจไม่มีวันลืม40ปีก็ไม่ลืมทำให้ต้องเสียใจอยู่ตลอด40ปีทำให้ชีวิตเสียเวลาเป็นมากพระพุทธเจ้าถามว่าวันเวลาล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ก็จบตอนนี้นะคะกระตุนกตุนตอนจบก็คือเด็กหญิงขวัญก็กำลังเอาเชือกผูกนาฬิกาล้างไว้ไม่ให้เดินไปข้างหน้านะคะเพื่อที่แกะ ไม่ยอมแก่ตัวต่อไปพูดถึงอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคำนี้ตรงข้ามกับคำว่าอัตตาคือตัวตนขอแนะนำให้รู้จักกับอัตตาไว้ตรงนี้ เล็กๆอัตราคือเรายึดว่านี่เป็นตัวเราดังนั้นเราจึงเสิร์ฟทุกอย่างให้กับตัวเราด้วยความรักใกล่หลงไหลเราจะมีมานะคือถือดีทำดีอยากอวดพยายามทำดีเพียงเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ประการเดียวไม่ใช่เพื่อหลุดพ้นจากสังสารวัตรมีสามกอคือกินกามเกียรต ดูแลไว้ให้ตัวเองอย่างดีดังนี้เป็นต้นอนัตตาคือให้รู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวตนในวงเล็บและทุกอย่างในโลกก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยตอนนี้จะขอลอกพระสูตรมาลงไว้ให้อ่านกันบ้างจะได้ใกล้ชิดกลิ่นอายของภาษานังสือธรรมะเข้าไปอีกนิดพอไปหาอ่านจะได้คุ้นเคย อ่านบ่อยๆแล้วก็เพลินดีในพระสูตรมีนิทานเยอะด้วยแต่ที่เอามานี้ไม่ใช่นิทานเป็นพระสูตรชื่อว่าจุลสัตจกะสูต ร, ตรอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสองมัชชิมะนิกายโูลปันนาตหน้าสามร้อยเก้าสิบสองถึงสี่ร้อยสี่ และหน้า 422-436 ท่านอาจารย์ว่าสีนินทศละคัดลอกมาให้นักศึกษา ร, รมวันรณทิตย์ได้อ่านกันมีใจความดังนี้นะคะชื่อเรื่องว่าตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนอ่าตอนนี้ก็มีการ์ตูนขั้นนิดหนึ่งเป็นรูปเด็กยิงขวัญกำลังนั่งอ่านพระไตรปิฎกอยู่นะคะคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับณกูตาค า, ารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีคราวนั้นนิครนคนหนึ่งชื่อสัจจกะอาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีคือเป็นชาวเมืองเวสาลีเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าเป็นผู้มีความรู้ดียกย่องตนเองว่าเป็นปราช และประกาศในเมืองเวสาลีนั้นว่าเขาไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ใดๆที่จะโต้วาทะกับเขาได้แม้ผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะถ้าคิดจะโต้วาทากับตนแล้วก็ต้องหวั่นไหวประมาเงือตกอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้เสาก็ต้องสั่นคลอนหวั่นไหวถ้าคิดจะโต้วาทากับตน เช้าวันหนึ่งพระอัศชิเถระรูปหนึ่งในปัญจวคีนะคะเข้าไปบินธบาตในเมืองเวสาลีสัจจะนิครนออกมาเดินเล่นพบพระอัศชิจึงเดินเข้าไปหาแล้วก็ถามท่านว่าพระคุณเจ้าอัศชิท่านเป็นสาวกของพระสมณะโคดมข้าพระเจ้าอยากทราบว่า พระสมณโคดมสอนสาวกอย่างไรแนะนำสาวกอย่างไรอักขิเวสนะพระอัชชิตอบอักขิเวสนะนี่คือเรียกเรียกเขาโดยนามสกุลน่นะคะอักขิเวสนะและอัชชิตอบพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นศาสดาของพวกเราสอนว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมเป็นขันหานี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนคือเป็นอนาตตาท่านอัศจิท่านอาจาอาจะฟังมาผิดแล้วกำมังถ้าพระสมณะโคดมตรัสสอนเช่นนี้จริงข้าพระเจ้าจะช่วยสอนพระโคดมให้มีความเห็นเสียใหม่ให้มีความคิดที่ถูกต้องกว่านี้ สัต จ, จะกะนิครนเข้าไปยังลิชฉวีสภาซึ่งพวกเจ้าลิชฉวีกําลังประชุมกันอยู่เล่าเรื่องที่ตนสนทนากับพระอัสสชิให้เจ้าฤชฉวีฟังและว่าจะไปโต้วาทากับพระสมณโคดมจะหมุนพระสมณโคดมเสียให้เหมือนหมุนหมอ้อเปล่าขอเจ้าฤชฉวีทั้งหลายจงไปด้วยกันเถิด เจ้าลิชวีได้ตามสัจจกะนิคนเข้าไปในป่ามหาวันถามพวกพิสุว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ใดพวกพิสุตอบว่าประทับพักกลางวันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งสัจจะนิคนเข้าไปหาแล้วทูลถามว่าทรงสั่งสอนสาวกอย่างไรพระศาสดาตรัสตอบอย่างเดียวกับที่พระอัจสชิตอบแล้ว สัจจกะจึงว่าพระโคดมต้นไม้และพืชพันธ์ทั้งหลายจะเจริญ ง, งอกงามต้องอาศัยพื้นดินการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์รำรก็ต้องอาศัยพื้นดินฉันใดบุคคลอาศัยรูปเป็นตัวตนมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนจึงมีบุญมีบาปได้ถ้ารูปเป็นต้น ไม่เป็นตัวตนแล้วบุญบาปจะมีได้อย่างไรอคคิเวสนะท่านยืนยันหรือว่ารูปเป็นตัวตนของเราพระศ า, าสดาตรัสถามข้าพเจ้ายืนยันอย่างนั้นพระโคโดมประชาชนทั้งหลายก็ยืนยันเช่นนี้เหมือนกันคนอื่นช่างเขาเถิดอคคิเวสนะ ขอเพียงแต่ท่านยืนยันคำของท่านอย่างนั้นหรือข้าพเจ้ายืนยันอย่างนั้นอักกิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราขอถามท่านสักข้อหนึ่งคือกษัตริย์ที่ได้รับมูรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าปเปเสณที่โกศลและพระเจ้าอาชาติศัตรู ย่อมสามารถฆ่าคนที่ควรฆ่าในประเทศคนที่ควรในประเทศได้ไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระโคโดมก็ท่านบอกว่ารูปเป็นต้นเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจเหนือรูปเป็นต้นนั้นหรือท่านปรารถนาได้หรือว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยเมื่อพระศาสดาตรัสถามดังนี้ถึงสองครั้งสัจจกะนิครนก็ ย, ยังคงนิ่งอึ้งอยู่จึงตรัสเตือนว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลานิ่งแต่เป็นเวลาที่จะต้องพูดในที่สุดสัจจกะนิครนก็ทูลรับว่าไม่อาจบังคับรูปเป็นต้นได้ พระศาสดาจึงกัดว่าเปรียบเหมือนคนถือขวานเข้าไปในปา่าด้วยต้องการแก่นไม้พบต้นกล้วยจึงตัดที่โคนแล้วตัดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้จะพบแก่นได้อย่างไรวาจาของท่านก็หาแก่นสารอะไรไม่ได้พอซักไยไล่เลียงเข้าก็ว่างเปล่าแพ้ไปเอง ที่ท่านเคยพูดในเมืองเวสาลีไว้อย่างไรจงพิสูจน์คำพูดของท่านเถิดเมือของท่านหยดลงจากหน้าผากแล้วแต่ของเราไม่มีเลยสัจจการที่ครนนิ่งอึง้งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศซาหมดปฏิพานและในที่สุดก็กล่าวขอโทษพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อจากนั้นได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า ด้วยเหตุเพียงเท่าใดสาวกของพระสมณะโคดมชื่อว่าได้ทําตามคําสั่งสอนทําถูกต้องตามโอวาทของพระสมณะโคดมข้ามความสงสัยเสียได้ถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนแห่งศาสนาตนพระศาสดาตรัสตอบว่าสาวกของเราย่อมพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าได้ทำตามคำสั่งสอนของเราด้วยเหตุเพียงเท่าใดภิกษุชื่อว่าเป็นพะระอรหันตจักะนิครนทูลถามสาวกของเราพิจารณาเห็นเบญจขันตามเป็นจริง คือไม่ใช่ตัวตนของเราหลุดพ้นแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละชื่อว่าเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามประการคือความเห็นอันยอดเยี่ยมการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม สัจกรารนิคนทูลรับสารภาพและสรรเสริญว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้มีนิสัยคอยกำจัดคุณของผู้อื่นพนองวาจาคิดว่าจะลุกรานพระสมณโคโดมด้วยถ้อยคำของตนพระสมณโคโดมผู้เจริญบุคคลเจอช้างทรัพย์มันก็ดีเจอกองไฟที่ลุกโพร่ก็ดีเจออสารพิษก็ดียังพอเอาตัวรอดได้บ้าง แต่มาเจอพระสมณะโคโดมเข้าแล้วไม่มีทางรอดตัวไปได้เลยภายในวงเล็บคือต้องยอมแพ้สัจจกะนิคนอาราธนาพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาทรงรับนิมน์โดยดุษณีวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปเสวยที่อารามของสัจจะนิคลนเมื่อเสวยเสร็จแล้ว ทศกัณฐ์ที่คนทูลว่าขอผลบุญในทานนี้จงเป็นความสุขแก่ผู้ให้เถิดภาษาสดาจัดว่าผลบุญในทานที่ให้แก่ผู้มีราคะโทสะโมหะเช่นท่านจงมีแก่ทายกส่วนผลบุญในทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะเช่นเราขอจงมีแก่ท่าน หลวงพ่อปัญญา น, นันทาเคยเทศว่าอะไรๆมันเป็นของประกอบกันมาเช่นรถยนต์เราชี้ไปซิว่ารถอยู่ที่ไหนมันไม่มีรถหรอกมีแต่ตัวถังหลังคาประตูล้อกระจกต่างๆมารวมกันดังนั้นคนเราก็เหมือนกันวาดภาพให้เห็นง่ายๆแบบนี้เช่น สมมติเรามองตัวเราว่าเป็นคนจริงๆไม่ใช่คนแต่เป็นส่วนประกอบของหัวคอแขนขาลำตัวนิ้วอะไรเหล่านี้นะคะแล้วพอเราเจาะเป็นอย่างๆเช่นสมมุติว่าเราดูหัวหัวก็ไม่ใช่หัวหัวเป็นส่วนประกอบของตาจมูกปากฟันลิ้นขนตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เราลองเจาะลงไปที่ตา ตาก็ไม่ใช่ตาแต่เป็นส่วนประกอบของตาดำตาขาวแก้วตาน้ำตาอะไรเนี่ยเยอะแยะนะคะนี่ลองเจาะลงไปที่ตาดำตาดำก็ไม่ใช่ตาดำเป็นกระจกตาแก้วตาประสาทตาเส้นเลือดแก้วตาก็ไม่ใช่แก้วตาเป็นโมเลกุลมารวมกันโมเลกุลก็ไม่ใช่โมเลกุลเป็นอะตอมมารวมกัน อะตอมอะตอมก็ไม่ใช่อตอมเป็นพลังงานมายึดเอาไว้รวมกันและพลังงานคืออะไรพลังงานก็คือความว่างก็คือในที่สุดจากคนคนหนึ่งก็ขึ้นไปถึงที่สุดก็คือความว่างนะคะอันนี้ดิฉันเพิ่มเติมอีนิดหนึ่งอย่างเช่นว่าแขนอันนี้เราเป็นคนคนก็ไม่ใช่คนมี มีหัวมีคอมีแขนมีขาพราะเป็นแขนก็ไม่ใช่แขนนี่ค่ะ่กแขนก็จะเป็นข้อศอกมือนิ้วนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางอะไรนี้นะคะก็แตกแตกไปเหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี้ใ น, นที่สุดมันก็จะไปจบลงที่ความว่างเหมือนกันเมื่อไล่ไปเรื่อยเรื่อยเราจะพบว่าที่ปลายทางคือความว่างมองแบบนี้ อาจจะเห็นแต่ของจริงอาจจะไม่เห็นเพราะมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้นะคะเรามองเห็นไม่ได้ว่าในเซลล์เรามีโมลเลกุลอย่างไงมีอะตอมอย่างไงมองเห็นไม่ได้แต่พอจะเข้าใจได้เมื่อพูดอย่างนี้ยกตัวยอย่างอีกทีเมื่อเรามองดูในสวนเนี่ยสวนก็จะหายไปกลายเป็นส่วนประกอบของต้นไม้กระถางสระน้ำตุ๊กตาหินหญ้านะคะพอเรามองที่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะหายไปกลายเป็นส่วนประกอบของ ลำต้นกิง่งก้านใบารากดอกผลนะคะพอมองลำต้นลำต้นก็จะหายไปก็จะกลายเป็นเปลือกกระพี่สะเก็ดแกนอะไร่นไล่ไปเรื่อยๆในที่สุดการจับตัวของพลังงานในความว่างอยู่ดีนะคะตอนนี้เราก็จะพอเราแตกแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรอะไ ร, ะไรมันก็ทะลุไปได้หมดเลยน ะ, ะโลกทั้งโลกใสเหมือนแก้วนะคะต้นไม้หายไปอะไรกำแพงหายไปทุกอย่างหายไป โลกใสเหมือนแก้วไม่มีอะไรเลยเมื่อทุกอย่างเป็นของว่างไม่ใช่ตัวตนจึงไม่มีอะไรน่าผูกพันเมื่อมองอย่างโลกโลกเราก็ดูแลรักษาอย่างโลกโลกไปตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรตามหน้าที่ของเราเมื่อมองอย่างธรรมะก็ให้ใจปล่อยวางลงจากความยึดมั่นในสิ่งต่างๆทั้งมวล เรียกว่ามีโลกสองใบซ้อนกันอยู่คือโลกที่เป็นไปอยู่ทุกวันที่สร้างทุกข์ให้กับเรากับโลกแบบธรรมะที่ปลดทุกข์ให้กับเราในทางทฤษฎีท่านก็จะสอนว่าเราคือองค์ประกรอบของธาตุหกธาตุหกก็คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณธาตุ หดินดินคือส่วนแข็งเช่นกล้ามเนื้อกระดูกนะคะอะไรที่จับต้องได้เนี่ยคือดิน2น้ําคือเลือดน้ําลายน้ําตาน้ำมูกน้ําเหลืองอะไรต่างๆ3ลมคือลมหายใจลมในท้องลมในปอดลมในลใําไส้อะไรเนี่ยไฟก็คือความร้อนในร่างกาย5อากาศธาตุ คือความว่างในตัวเราเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องลมช่องในลําไส้ช่องในลใําคอหรือแม้แต่ในอนูละเอียดละเอียดก็มีความว่างของแต่ละอนูถ้าความว่างในตัวเราไม่มีเช่นจมูกตันก็หายใจไม่ได้หลอดอาหารตันก็กินข้าวไม่ได้ฉะนั้นช่องว่างหรือความว่างนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของเรานะคะจมูก จมูกว่างจมูกโล่งแล้วก็หายใจได้เพรานั้นความว่างหรืออากาศสทธาดก็สำคัญความจริงชีวิตภายนอกภายนอกร่างกายนะคะเราก็ยังอาศัยอยู่กับความว่างเช่นในบ้านเราอาศัยอยู่ในที่ว่างของห้องนะคะห้องเราไม่ได้ตันห้องมันว่างเราจึงอาศัยอยู่ได้ ในรถของเราเราก็อยู่ในที่ว่างถ้ารถตันหมดเราก็เข้าไปในรถไม่ได้ 6. วิญญาณธาตุก็คือจิตของเรานะคะในที่สุดทุกอย่างจะคืนสู่ธรรมชาติเมื่อเราตายดังนั้นเราก็คือการรวมตัวของธาตุหนั่นเองไม่มีเราจริง ความทุกข์ใจเกิดจากความยึดมั่นว่านั่นเป็นของของเราซึ่งความเป็นจริงคือไม่มีสิ่งใดเป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นเพราะถ้ามันเป็นของเราจริงเราต้องสั่งได้ยกตัวอย่างสิ่งของภายในร่างกายของเราถ้าร่างกายนี้เป็นของเรานะคะ เราก็สั่งมันไม่ให้มันแก่ไม่ให้ตายไม่ได้สั่งไม่ให้ปวดหัวไม่ให้ปวดท้องก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ทุกข์เศร้าร้องไห้สั่งให้สุขก็ไม่ได้แม้แต่จะสั่งให้ลืมความทุกข์ใจเรื่องเมื่อวานก็สั่งไม่ได้สิ่งของภายนอกสมมติว่าแก้วของเรา สั่งให้ไม่แตกแฟนของเราสั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้รถของเราสั่งไม่ให้เสียก็ไม่ได้แต่ธรรมชาติสั่งได้ทุกอย่างเพราะเราเป็นของธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราในทางธรรมะนะคะทุกอย่างเป็นของธรรมชาติตัวเราเป็นของธรรมชาติ ตอนที่ห้าและความยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวาง mm hmm. เมื่อเราเข้าใจไตรลักษณ์คืออา น, นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุก์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เข้าใจความไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไปด้วยความเข้าใจอันนี้เมื่อเรานามาพิจารณาบ่อยๆพิจารณากับทุกสิ่งที่ได้พบ พิจารณากับทุกปัญหาทุกใจของเราพิจารณาด้วยความเป็นธรรมยอมรับความจริงของสัจธรรมของโลกพเพราะเถียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในเมื่อความจริงเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีวันเปลี่ยนไปอย่างที่ใจเราต้องการถ้าเรายอมรับสัจธรรมนี้ได้จิตใจของเรา ก็จะอ่อนลงความยึดมั่นถือมั่นจะผ่อนคลายลงอย่างที่ท่านเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางมันลงนะคะเราก็จะหลุดออกไปจากความทุกข์ได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆสะสมความเย็นความปล่อยวางนี้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเอง จนวันหนึ่งจะชัดเจนจนสังเกตได้ว่าเรื่องที่เราเคยทุกข์หนักพอพบเรื่องที่ควรจะทุกข์เนี่ยถึงตอนนั้นเราจะทุกข์น้อยลงในการสอนระดับสูงๆท่านไม่ให้ยึดมั่นแม้แต่เรื่องของการทำดีพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำดีแต่แปลว่าทำดีเสร็จแล้ว ไม่ยึดติดกับความดีที่ทำไปแล้วนั้นจนเป็นทุกข์อีกพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นแม้แต่ น, น, นัยนิพานคือให้ปล่อยวางในทุกๆเรื่องเพื่อให้ใจสงบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายนี้เปราะเหมือนไข่พร้อมที่จะแตกแม้ร่างกายจะกระวนกระวาย ขออย่าให้ใจกระวนกระวายแม้จะแก่ชราหรือเจ็บไข้ก็จบตอนนี้นะคะกระตุนก็เป็นรูปเด็กหญิงกวนก็กำลังเอาแขนมาพิจารณามองให้เห็นความว่าง ที่ 6. ความหลุดพ้นคือแก่นพระพุทธศาสนาในมหาสาโลปมสสุตมัชฌิมานิกายมูลปันนาฏพระสุตันตปิโดกเล่ม12กล่าวถึงแก่นพระพุทธศาสนาไว้ดังนี้นะคะแก่นของพระพุทธศาสนาที่ทรงหมายถึงในที่นี้คือวิมุต ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงส่วนศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นเพียงสเก็ตและกระพี้ของพระพุทธศาสนามีรายละเอียดโดยย่อดังนี้อันนี้เป็นภาษาหนังสือหน่อยนะคะ น, นี้ลอกมาให้ฟังสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับณภูเขาคิดจกุูเมืองราชชเครศตรัสสอนพิสุทั้งหลายว่า บางคนมีศรัทธาออกบวชเมื่อบวชแล้วก็ได้ลาบสการะเป็นอันมากพอใจลหลงไหลในลาบสการะนั้นยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาบสการะนั้นเต็มความปรารถนาหมายความว่าเห็นไปว่าการได้ลาบสการะและความนับถือนั้นเป็นผลสูงสุดของการบวชจึงไม่ขนขวายเพื่อให้มีคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ะะอันนี้ใช้ศัพท์ว่าเต็มความปรารถนาคือพอใจแล้วนั่นเองเขาอยู่อย่างประมาทเมื่อประมาทก็อยู่เป็นทุกข์เปรียบเหมือนคนต้องการแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้ในป่าแต่เนื่องจากไม่รู้จักแก่นไม้ได้กิ่งและใบสําคัญหมายว่าเป็นแก่นเขาย่อมไม่สําเร็จประโยชน์ในกิจที่จะต้องทําด้วยแก่นไม้ บางคนไม่เต็มความปรารถนาอยู่เพียงลาบส ก, การะและชื่อเสียงจึงทำศีลให้สมบูรณ์แล้วพอใจเต็มความปรารถนาอยู่เพียงแค่ศีล น, นั้นภายในวงเล็บศีลเปรียบเสมือนสเก็ดไม้บางคนไม่เต็มปรารถนาเพียงแค่ศีลจึงไม่ประมาททำสมาธิให้บริบูรณ์ แล้วพอใจอยู่เพียงสมาธินั้นเปรียบเหมือนสแสวงหาแก่นไม้ได้เปลือกไม้แล้วพอใจเข้าใจว่าเป็นแก่นบางคนไม่เต็มความปรารถนาเพียงสมาธิจึงไม่ประมาททำปัญญาให้เกิดขึ้นและพอใจในปัญญานั้นเต็มความปรารถนาเหมือนคนสแสวงหาแก่นไม้ได้กระพี้แล้วพอใจเข้าใจว่าเป็นแก่น บางคนไม่เต็มความปรารถนาเพียงแค่ลาบสการะชื่อเสียงศีลสมาธิและปัญญาเขาทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลทั้งปวงเรียกว่าได้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนารวมความว่าถ้าเปรียบพรมจันท ร, ร์คือพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ทั้งต้นก็หนึ่งลาบสการะชื่อเสียง เปียกเหมือนใบและกิ่ ง, ง 2. ศีลเปรียบเหมือนสะเก็ด 3. ส, สมาธิเปรียบเหมือนเปลือก 4. ปัญญาเปรียบเหมือนกระพรี 5. หวิมุตเปรียบเหมือนแก่นพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าพิสุทธ์ทั้งหลาย ด้วยประการดังกล่าวมานี้จึงประมวลลงได้ว่าเราประพฤติพรหมจรรย์นี้ม่ใช่เพื่อลาบสการะและชื่อเสียงม่ใช่เพื่อศีลสมาธิปัญญาแต่เราประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตอันไม่กำเริบซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์เป็นแก่นสาร ที่แท้จริงภิกษุ์ทั้งหลายฟังแล้วชื่นชมยินดีต่อภาสิทิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าคติธรรมสำหรับพระสูตรนี้ท่านอาจารย์วสินอินทสละได้ให้คำอธิบายไว้ดังนี้ปัญญาในพระสูตรนี้ทรงใช้คำว่าญาณทัศนะแทนซึ่งหมายถึงความรู้เห็นตามเป็นจริง ไม่ใช่รู้ตามที่ปรากฏเพราะสิ่งที่ปรากฏอาจหลอกเราได้เช่นสีเขียวเมื่ออยู่ภายใต้ไฟสีเหลืองจะเห็นเป็นสีน้ำตาลอุณหภูมิซึ่งไม่ร้อนไม่เย็นถ้าเราออกมาจากห้องเย็นเราจะรู้สึกว่าร้อนหรือปรากฏแก่เราว่าร้อน นี่เกี่ยวกับเรื่องทางกายเรื่องทางจิตก็เหมือนกันถ้าจิตเราถูกกิเลสครอบงำก็จะเห็นไปอย่างหนึ่งพอจิตเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสครอบงำมีปัญญาเต็มที่ก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนาต้องให้เห็นอะไรต่างๆด้วยปัญญาอันชอบสามมาปัญญา ไม่ใช่เห็นตามอำนาจของกิเลสเกี่ยวกับความหลุดพ้นคือวิมุตตมีอยู่3ามแบบคือหลุดพ้นที่ยังกำเริบหมายถึงหลุดพ้นชั่วคราวเรียกว่าตัดทางเข้าวิมุตตและหลุดพ้นเพราะข่มกิเลสไว้ด้วยกำลังฌานเรียกว่าวิขมพณะวิมุตตอีกอย่างหนึ่ง หลุดพ้นที่ไม่กําเลิบอีกคือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดสมุดเฉทวิมุตติกิเลสใดที่ละได้แล้วก็เป็นอันละได้ขาดไม่กลับเกิดขึ้นอีกเช่นความหลุดพ้นของพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็จบสำหรับตอนนี้นะคะ รูปการ์ตูนก็เป็นรูปอเด็กหญิงขวัญกำลังเอาบันไดา ย, ยาวพาดก้อนเมฆแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปหาดาวที่อยู่บนก้อนเมฆหมายความว่าก็พยายามปฏิบัติทําไปให้ถึงที่สูงๆกงันนะคะ